รู้สึกเหมือนโลกเป็นความฝันถามบางทีรู้สึกเหมือนทั้งโลกเป็นความฝันของเราคนเดียวคืออยู่อยู่นึกนึกเหมือนสงสัยขึ้นมานะครับว่ามีเราอยู่คนเดียวนอกนั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวตนเป็นของหลอกไปอย่างนั้นเองอย่างนี้ถือว่าโดนวิบากกรรมเล่นงานหรือไม่ครับและถ้าหากจะเป็นสาเหตุให้ต้องเกิดความผิดปกติทางจิตในระยะยาว ก็อยากขอคำแนะนำแก้ไขด้วยตอบสิ่งที่เกิดขึ้นทางใจถ้าคุณยึดติดและคิดต่อด้วยความยินดีจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจัดเป็นมโนกรรมอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดความคิดแวบแรกว่านี่เราฝันไปคนเดียวหรือเปล่าตรงนั้นอาจจะยังไม่ใช่มโนกรรมเต็มขั้น คือคุณอาจจะดูหนังหรืออ่านนิยายที่จุดชนวนให้เกิดความคิดเทือกนั้นขึ้นมาพูดง่ายๆว่าถูกยัดเยียดความคิดเพี้ยนๆเข้ามาไว้ในหัวเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็ถูกสะกิดให้ย้อนนึกถึงขึ้นมาอาจกำลังอยู่ในภาวะกลัวโลกกลัวสังคมอยากเก็บตัวหรือเกิดอารมณ์ช่างคิดช่างฝันคิดเองเออเองสาคัญนะครับคือถ้าคุณปล่อยใจ ปล่อยให้ความคิดเข้าข้างตัวเองทํานองนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยความเต็มใจอันนั้นแหละจะกลายเป็นมนโนกรรมเต็มขั้นกล่าวคือด้วยกรรมทางความคิดชนิดนี้จะสร้างภพสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาจิตจะค่อยๆปิดแคบและปฏิเสธโลกภายนอกบางทีตอนกําลังเคลิ้มๆ ค, ครึ่งตื่นครึ่งฝันจิตของคุณจะแยกไม่ออกทีเดียวว่าตกลงอันไหนจริงอันไหนเท็จ ทุกสิ่งที่คุณย้ำคิดไปเรื่อยๆจะกลายเป็นความปักใจเชื่อว่ามีจริงดูเพลินๆเหมือนมันเป็นแค่ความคิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าก่อให้เกิดอันตรายแต่ความจริงก็คือด้วยความคิดนี่แหละที่ทำให้ชีวิตคุณพังได้และอาจก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างสาหัสได้คือมีความโน้มเอียงจะทวีความรุนแรงขึ้นได้ในรายที่เก็บกด ไม่มีทางระบายต้องคิดมากอยู่เรื่อยๆและเจอแต่เรื่องน่าผิดหวังในความเป็นจริงทางที่ดีคือฝึกรู้ตามจริงแบบที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเบื้องต้นเลยเดี๋ยวนี้คือพิจารณาว่าถ้าคุณอ่านคำตอบของผมได้โดยที่คำตอบเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในหัวของคุณมาก่อนก็แปลว่า ต้องมีใครคนหนึ่งเป็นต่างหากจากคุณคิดคำตอบขึ้นมาคุณไม่ได้คุยกับตัวเองแต่คุยอยู่กับผมหรือถ้าต่อไปถ้าอยู่คนเดียวตามลำพังและเกิดความคิดชวนให้เพี้ยนอย่างเคยๆอีกก็ถามตัวเองว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกคุณจะเกิดสติเห็นตามจริงว่าตัวเองมีลมหายใจเข้า มีลมหายใจออกจากนั้นลองมองใครก็ได้ที่อยู่รอบข้างถามตัวเองว่าเขามีลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอยู่ดวงตาของคุณที่เห็นอาการไหวกระเพื่อมเป็นระลอกจากฝั่งเขาซึ่งแตกต่างจากฝั่งของคุณจะทําให้เกิดสํเนึตถูกต้องตามจริงว่าคุณกับคนอื่นต่างฝ่ายต่างมีลมหายใจของตนเอง มีเข้าแล้วต้องมีออกเป็นธรรมดาสลับกันเหมือนเหมือนกันนอกจากนั้นเมื่อเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาจากความคิดก็ขอให้สังเกตดูว่าสุขนั้นสุขนานเพียงใดทุกข์นั้นทุกข์นานแค่ไหนแล้วสังเกตด้วยว่าคนอื่นเขาก็มีสุขทุกข์เช่นเดียวกับเราคนรอบข้างไม่ใช่เป็นแค่ภาพลวงตา แต่พวกเขามีกายใจเป็นที่ตั้งของสุขทุกข์ได้เช่นเดียวกับเราด้วยถ้าเห็นจิตหรือสัมผัสความรู้สึกคนอื่นได้มองเห็นชัดเจนเหมือนตาเห็นรูปทราบว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็ด้วยเหตุไม่ใช่สุขทุกข์เองลอยลอยใจคุณจะไม่มีทางทึกทักเลยว่าสิ่งต่างๆเป็นเพียงความฝันลมแง้ง ทุกสิ่งปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลเสมอใจที่ปักหลักอยู่กับเหตุผลชัดเจนตามจริงนั่นล่ะครับแก้โรคทางใจได้ทุกประเภทที่ถูกตามหลักของพุทธแล้วมีความจริงให้รู้ได้ยิ่งกว่านี้แต่สำหรับภาวะที่อาจเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของคุณเพียงคำแนะนำเท่านี้ผมคิดว่าคงพอดีแล้วครับขออย่าได้หลงไปตามอาการคิดเองเอ่ยเองนะครับ ไม่ีเรื่องเล็กๆเลย